กลังกำมัตอนเช้าตอนเย็นหลังจากต่อทยอยพระสูตรต์ธรรมัตรจบลงเมื่อเป็นการย่อมในการปฏิบัติต้องมีต้งเราวินาที่มีการงาน อย่าทำให้ตัวเองอยากยากทำอะไรก็ตามนอนก็ง่ายๆทำให้ตัวเองง่ายตื่นก็ให้ง่ายกินก็ง่ายถ่ายก็ง่ายปึกให้ง่ายๆทำอะไรก็ตามให้ง่ายอย่ามียุ่งเหยิง มันจะส น, นุกเวลาลบาปฏบัติยิ่งจะง่ายจะได้เห็นอะไรต่างๆสะดวกในการรู้สะดวกในการเห็นสะดวกในการไม่เป็นกับอะไรต่างๆ ท, ท, ที่มันเกิดขึ้นพานตัพืพ้นๆเห็นตัพืพือไปไม่มีอะไรยาก ไม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้อันทําให้ตัวเองยากปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลถ้าทําให้ตัวเองยากปฏิบัติให้ได้ผลไม่ทําให้ตัวเองง่ายง่ายเป็นคนง่ายง่ายยิ่งเรามี ทำก็ทําให้สะดวกมากขึ้นไม่สติมีในสมปัตชัญะญมีวิธีปฏิบัติยิ่งทำให้เกิดความสะดวกสะดวกสะดวกในการทำหน้าที่ทำอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมีแต่ความสะดวก ได้ผ่านทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นแม้จะมีกรรมมะลาคะสะดวกในการผ่านได้ปฏิฆะก็ผ่านได้ทิฏฐิมานะที่มันเกิดขึ้นก็ผ่านได้งานสวนตัวงานภาย่โนก็ผ่านได้ถ้าจะทาอะไรทาได้ก็ไม่ได้ ทำได้ก็ได้มีอันที่ทำได้มีอันที่ทำไม่ได้การงานภายโอกบางงานก็ต้องช่วยกันจึงจะทำได้บางงานก็ทำคนเดียวก็ทำได้นี่คือฝึกฝึกตนสอนตน ถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นบอให้สอบสนพ้ยุ่งยากจริง ท, ที่ทำให้ยุ่งยากก็มีตาหูจ ม, มกจูกเล่นกายใจรูปรถกลิ่นเสียงอามที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราอาจจะค้องไว้ ก็ทำไม่ง่ายมีแต่เรื่องยุ่งยากยากกับตัวเองแล้วไม่พอทำไม่ตัวเองยากแล้ไม่พอทําไม่ตัวเองยากคนอื่นเรื่องของกายก็ยากเรื่องของจิตใจก็ยากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจสร้างขึ้นเองให้ตัวเองยุ่งยากขอใจไม่พอใจบ้าง อะไรต่างๆที่มาเกิดขึ้นกับใจอย่าทำให้มันยุ่งยากปลดปล่อยสะดวกทำให้มันสะดวกสะดวกรู้ไม่ใช่ไม่ใช่เหันเป็นไปทุกอย่างถ้าเป็นไปทุกอย่างไม่สะดวกเลยมืดแปลกดางช่างซอนาปลาซอนเงี้ยง โบราณท่านว่าไปไม่ได้มีแต่พิษแต่ภัคนนั่นเป็นอย่างนี้คนนั่นเป็นอย่างนี้ที่นั่นเป็นอย่างนี้ที่นั่นเป็นนี้มีแต่ปัญหาผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็คือสะดวกใ น, นเรื่องนี้การใช้ชีวิตะ ยิ่งเวลาเราปฏิบัติตยิ่งสะดวกใหญ่เลยมันพร้อมแล้วชีวิตเราก็มีพร้อมแล้วนั่งอยู่ที่นี่นอนอยู่ที่นี่กินอยู่ที่นี่อะไรก็อยู่ที่นี่แล้วยกมือสร้างจังหวะก็อยู่ที่นี่แล้วลู ก, ก็ลู่ที่นี่แล้วกลัวจะมายกมือสร้างจังหวะ มั้นผ่านเลยมาผ่านหลายอย่าง ก, กว่าที่มือลู่นี่ผ่านกิเลตก็ได้ผ่านต้นหาก็ได้ผ่านราคะก็ได้ผ่านทุกอย่างกว่าที่มาอลู่สึกตัวนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่อลู่ที่ก็ไปคล่องที่รุ่นไปค่องที่นี่ปนไป ควาพอใจความไม่พอใจความลักความเจลียดชงังความวิตกกังวลคิดไปข้างหน้าคิดเกินข้างหลังจุ่มเยิงไปหมดเลยกลับมารู้สึกตัวหนี่งมันเป็นโอกาสของเราที่สุดเลยรู้สึกตัวแล้วเวลาที่มันเกิดขึ้นไหลที่มันใช่ความรู้สึกตัวหนึ่งรู้สึกตัวเข้าไปมีสิทธิแน่นอมีประโยชน์จริงๆ ตอนที่มันไม่ใช่ความรู้ที่มันเกิดขึ้นกับความกับใจแล้วเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวหนึ่งนี่คือเป็นการสร้างชีวิตที่ไปสู่ความเหนือการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นให้มันมาให้เราผ่านมันไม่ให้เราผ่านไม่ใช่มาให้เราเป็นมีให้เราเป็นไปกับมันทุกอย่างแลี่มันก็ผ่านได้ จิตที่เกิดขึ้นกับกายกับใจดีมันผ่านได้ทุกอย่างเราะมีสติเป็นเครือข่ายของทั้งไเกิดสินเกิดสมาธิเกิดปัญญาสมาธิก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดสติช่วยเกิด ปัญญาก็รบครอบเปลี่ยนได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่ปลดปล่อยตัวเองอย่างนี้ฝึกตนสอนตนอย่างนี้เมื่อมันหลงไม่รู้ได้ฝึกตัวเองแล้วเหมือนสุกได้รู้ฝึกตัวเองแล้วเมื่อทุกได้รู้ได้ฝึกตัวเองแล้ว อะไรที่ไม่ใช่ความรู้ฝึกให้มันเป็นความรู้เนี่ยนั่นแหละคือฝึกกรรมฐานเมื่อฝึกอย่างนี้ก็เกิดวิปัสสนายานขึ้นมาได้เห็นทุกอย่างเห็นแจ้งที่แรกก็เห็นไม่แจ้งวิพาณหนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ั้งผนห้าครั้งพันหนนก็ชำนิชำนาญ ได้เห็นแล้วไม่ผ่านก็ไม่ใช่วิจารณายิ่งมืดตื้อไปเลยหลงเท่นี้ก็มีปัญหาให้ความหลงเป็นปัญหาให้ความสุขเป็นปัญหาให้ความทุกข์เป็นปัญหาเป็นภาระจะต้องไปขวางนะอยู่ตลอดเวลาหลงเป็นรูปสุขเป็นรูปทุกข์เป็นรูปผิดเป็นรูปถูกเป็นรูปยากเป็นรูปง่ายเป็นรูปอนนี้ก็ผ่าน ดนดิธีฝึกตนศสนตนนี้เก่งทุกคนสะดวกทุกคนในการนี้ไม่ใช่ว่ายากคนนั่นทำได้คนนี้ทำได้ไม่ใช่ใครทำได้เราก็ทำได้เรื่องนี้มีสติ พระพุทธเจ้าจังหวะปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดก่อเหมือนกับพระพุทธเจ้าตะโกนบอกเราอยู่ <c oughs> เวลาใดเราทุกเวลาใดเราโกรธเวลาใดเราหลงเวลาใดเรามีปัญหาเหมือนกับพระพุทธเจ้าตะโกน บ, บอกผ่านได้ผ่านได้ปฏิบัติได้เปลี่ยนได้อยู่ นักว่าอย่างนั้นองคพุทธเจ้าก็ผ่านมาแล้วอย่นี้แลเราพระสองฆ์สาวกของเจ้าก็ผ่านตรงนี้ไปทางเดียวกันเดินคนเดียวกันไม่คนอื่นช่วยไม่ได้ถึงที่หมายอย่งเดียวกันเนวลาเราปฏิบัติเหมือนกันหมด ก็เป็นเรื่องสดุกไม่เป็นเรื่องที่จะต้องเศ่หมองขุ่นมัวอะไรเพื่ออาการที่มันเกิดขึ้นกับปากกับใจเราเนี่ยฝึกไปฝึกไปเมื่อฝึกมันก็เป็นไม่ใช่จําปิปัสนามันเห็นไม่ใช่จําไม่ใช่จําเอามันเห็นแครงเห็นแล้วลืมไม่เป็น ผิดก็ลืมไม่เป็นถูกก็ลือไม่เป็นสิ่งที่มันผิดถ้ามันไม่ลืมแล้วก็ไม่มีผิดอีกต่อไปสิ่งที่มันถูกถ้ามันเห็นแล้วก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผิดอีกต่อไปนี่ว่าเห็นแย้งไม่ได้จําเราแั้วก็เราฝึกเป็นแล้วก็ไม่ต้องทําถ้าฝึกเป็นแล้วไม่ต้องทํา เปดนี้สงล้วถึงที่หมายล้วก็มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอะไรก็ตามเมื่อเรียนหนังสือครูอาจารย์ที่จบปริญญาชำนิชำนานจบดอกเตอร์ทำไมจึงมาเขียนกอไก่เล่นกับเด็ก เพรสอนเขาเป็นบทเรียนเบื้องต้นแต่มจึงหาเจ่นนี้เพื่อให้อ่านได้เพื่อให้จำได้ปวกสละเข้าไปรู้ความหมายเข้าไปแปลว่าอะไรเข้าไปแลาใช้ได้เป็นชีวิตของผู้ที่รู้นั่นอ่านออกฉขนได้รู้ความหมายปฏิบัติตาม ได้อนนันเป็นภาษาสมมุติปัญญัติภาษาบาลมัตไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับจริงอื่นเกี่ยวกับชีวิตของเราล้วนลวนลืมไม่เป็นลืมไม่เป็นภาษาสมมุติลืมเป็นจนชน่วมิชํานาน ถึงที่สุดคือปริญญาเพื่อใช้ได้ละวันบอกคนก็บอกได้สอนกดก็สอนได้เพราะจำนี้จำนานในการนี้เมื่อจำนานในการนี้แล้วชีวิตก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไร สิ่งที่มันเป็นเห็นหมดทุกอย่างที่มันเกิดกับกายกับใจหเห็นหมดทุกอย่างผ่านมาหมดทุกอย่างจนที่สุดก็เห็นเหมือการเกิดแก่เจ็บตาย เป็นจุลหมายปาทางเพราะมันเห็นไปจากในจากโกไก่สติมีสติไปในกายเป็นประจำพอที่จะฟ้องได้กายจักรกายฟ้องไปแล้วเห็นเวทนาจักร่าเวทนาฟ้องออก เห็ดจิตสักว่าจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมฟ้องบอกพิพากษาได้แล้หลุดไปแล้วอะไรที่เกิดขึ้นกับก่อยหลุดไปแล้วไม่มีตัวมีตนอยู่ในแล้วอะไรที่เกิดกับเวทนาหลุดไปแล้วไม่มีตัวมีตนอยู่ในนี่แล้วอะไรที่มีอยู่กับจิตหลุดไปแล้วไม่มีตัวตนอยู่ที่นี่แล้ว อ่านออกเขียนได้เหรอะไรที่มีธรรมเป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจ่ใจแต่กุศลอกุศลหลุดไปแล้วไม่มีตัวมีตนอยู่ที่นี่แล้วมือสีดํามือสีขาวรวมสุขรวมทุกข์รวมสุขก็มือสีขาวรวมทุกข์ก็มือสีดำํำหลอกไม่ได้ ทุขจะหลอกไม่ได้ทุกข์จะหลอกไม่ได้ภาษาหลาความรักความชังที่เหลือของกฎของโลกความหลงมันเปลือกนอกๆอกเปลือกนอกนอกหยาบหยาบมันเป็นของหยาบหยาบคนอื่นเกิดเราก็เห็นได้ แต่สิ่งที่มันละเอียดเข้าไปนั้นเห็นกันไม่ได้เป็นมรปฏิฆมาณนะทิฏฐิที่อยู่ในจิตอยู่ในชีวิตของเราที่มันฝังตัวอยู่จต่หลิดนิดสัยอันนั้นมองเห็นสบาเป็นชวนตัวมัน กวมโกรธความโรความลงมันทิ่มแทงกันได้อันยิ่เล็ดอันที่มันเหลียมมันแทงแต่ตัวเองอันนั้นช้ำที่ช้ำนานมากขึ้นพงบไปให้มันชิ้นชากไปจนไม่มีอะไรเหลือวางลงหมด ห่าละหลงซแน้วคือมาบอกกันสอนกันเมื่อมันไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็ไม่มีอะไรตอนมีแต่เมตตากนุณาชีวิตที่เป็นเช่นนั้นเหมาะแก่การงานไม่ใช่เกียดค้านนะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อกูลอยู่ไม่ได้ ในชีวิตเพื่อทำอะไรที่มันเป็นความดีสนุกอะไรไม่มีตัวมีตนอะไรเลยตามทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านประโยชน์โลกประโยชน์เจ้าพระศาสนาประโยชน์เจ้าญาติญาติยาตตากิริย า, ย า, ย า, ย า, ยาประโยชน์ต่อญาติ ลูกชายของพ่อลูกชายของแม่คนนี้ไปทําความดีที่นั่นที่นี่ประโยชน์ต่อญาติเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้านั่นตัดจะลูกสอนคนอื่นดังไปทั่วประเทศอินเดียดังไปถึงพระราชวงศานวงศ์จนให้ อํมมาทไปล่าธนาในหมนกลับมาบ้านมาบอกบาสอนแต่ก่อนมิทิธีมานะเป็นกษัตริย์ลูกชายกนผมพุ่งบาขอเย็นเสียศักดิ์ศรีของกษัตริย์บอรประกาศความเท็จความจริงออกมาจึงได้รับทราบอ่อนลงมาอ่อนลงมา พอยอมหมาดไปล่าธนาห้าคนก็ไม่สำเร็จหคนก็ไม่สําเร็จเจ็ดคนก็ไม่สำเร็จเจ็ดคนสําเร็จใช่ไหมกาลุทายีใช่ไหมการูา้ย า, รายีอมหมาเป็นสาชาติเกิดวันเดียวกันกันกบพระติทัตถะอยู่ในพระราชาวัง ให้การุธายีแปรลาทธนาเน่มนพระพุทธเจ้ากลับบ้านกับบิณฑบาตคือมาสอนพัฒน์สันหวงทั้งหลายให้ได้รู้อะไรบ้างได้ยินใจกิติศัพท์ว่าศีรษาออกวัวลูกพระเจ้าสโทลละตัดทะลุเป็นพระเจ้าทักไปเถินตั้งยอดทุกข์ใหญ่ อาลูทายีก็รับแต่ว่าขอบวชลาบวชมรับปากปะจะละก็ลาบวชทันทีจะเอามาให้ได้แต่ต้องให้บวชอาโนนก็บวชลาหนก็บวชลู่ทาก็บวชก็ลูทายีซึ่งเป็น สหายสหาชาติกับพระพุทธเจ้าก็โอ้กบวชอ่เมื่อต้องจะเป็นเอ่อให้ไปราธานิมนุนเราด้สำเร็จยาตถาคีรประโยชน์ต่อญาติโกตถาคีรประโยชน์ต่อลูกเกิดขึ้นแน่นอนกับชีวิตอย่างนี้ ไม่ทำอะไรไม่แต่สร้างสารรไม่แต่ช่วยเหลือไม่แต่อบอ้อมอริอะไรก็ตามเม็ดถินเม็ดถินเม็ดสายไม่ทำให้ลาบากไม่ทำให้เดือดร้อนโ ล, โ ล, โลดโดตระจิริยาประโยชน์ตโลก พ, พุทธะจิ ร, ริยาประโยชนตพุทธะสารเกิดขึ้นกับพลเช่นนี้ นน่นนเดี๋ยวนี้คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับคนไม่น้อยมากเราจึงเสนอตัวเองมาช่วยกันเถอพวกเราปฏิบัติธรรมเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจนไม่เป็นอะไรกับอะไร มันยากหรือการไม่เป็นอะไรกับอะไรมันยากขนาดต้องสู้หรือไม่ได้สู้เลยเป็นการปล่อยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไ ป, ไ, ปไม่ได้สู้อะไรไปยากอะไรไม่ได้ออกแรงออกกําลังอะไรเห็นไม่เป็ น, หนให้เราได้ผ่านทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับปลายกับใจเรานะ จนไม่มีอะไรที่ต้องมีอีกแล้วหมดหรือหมดจบหรือจบเหมือนพระพุทธเจา้าชาติสิ้นแล้วพระมรรจันทร์อยู่จบแล้วจิตอื่นที่ทำไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วตอนที่มันเกิดขึ้นกว่ากับใจแล้วมีอะไรบเนมีแต่ชิดช่วยคนดื่น เมตตามหากรุนาที่คุณนั้นเกิดอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาแทนที่จากตัวตนในความเมตตากรุณาทงสารเป็นใหญ่จึงมีพระพุทธรูปอยู่ที่พระพุทธคยาเรีว่าพระเมตตาอยู่ที่นั่น เราคิดอะไรเมื่อเกิดกุณธธรรมอย่างนี้เกิดขึ้นมาเราจะไปช่วยขนโทันทีเลยทีเดียวเราจะช่วยขนโอุตคกาดาบอดดารด า, ร า, ราบอก็หมดไปแล้วมองไปด้านทิศเหอเฉียงตะวันดอกเห็นภูเขาของอุตคกาดาบอดดาดาด า, าบอหมดไปแล้ว ใครอีกแล้วที่จะช่วยได้ในเรื่องนี้เราคิดเห็นปัญจวีคีที่เคยอยู่ด้วยกันแต่เขาลังเกียจเราแล้วไม่อะไรเราแล้วนั่นแหละจะช่วยเขาเขาเบื่อหน่อยเราเขาลังเกียจเราเราจะไปทำความดีเปท่าทายกับพวกนี้ลองดู รนนางแผนจะไปยังไงไปงไงในขณะที่ตัดะลูแล้วสวยมุติจุกอยู่รอบๆจิมฮาโพนเกตอาทิตย์บองแผนมียุทธศาสตร์ไปตามลำดับ แผนงานที่วางไว้พร้อมกับสมัยเจ้าผ้าใช้เป็นสิทธิทธรจบมาตั้งสิบเศาตร์ไม่ใช่งงู้สิบเกศาตร์วางแผนเผยแพ่ศาสนาจะไปยังไงจะมาไงเพื่ออะไรให้เป็นระบบ ว่าออกจากพุทธิยากไปพาตานาสีแล้วก็ย้อนมาเราจะคือทบถวนขึ้นมาขณะที่มาราจะคือมาผ่านอะไรบ้องไปที่ไหนก่อนยุทธศาสตร์อุเรเวลาอุรู้เวลากัจปะขยะกัจจปะและทีกัจปะ เป็นนักสอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในแถบดีนี่เราจะคือยิ่งอย่างอูออเวลาการศึะไม่บริวารหนึ่งพันคนอ้าใช่ไหมไม่ใช่ห้าร้อยคนพรายากัารศไม่บริวารสามรอยคน นาทีกจัจจปปีบริวาสองร0อยคนเป็นหนึ่งพันคนถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยเราจะคือขวงกานตาัดอาจารย์ทั้งสามหนึ่งขวงกานตาจะต้องไปบุกเปิกที่นีก่อนเดี๋ยีแพที่งานมาเอาขอพักอาศัยรู้เวลากจัจจปะ โอเลวะกโอ้รู้เวลาก็จะบอกงูเยอะิเยอะเยอะยิย่งใหญ่ามากขี้ไปที่พักที่มันศักดิ์สิทธิ์ที่บูชายัญที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรไปผ่านก็ว่าไงูเลื่อยไปงูก็ตายตะขาบเลื่อยเขา้าไปก็ตะขาบก็ตายอะไรผ่านที่มรนมดาตายหมด หรู้เวลากระสปากชี้ไปไม่มีที่พักมีนู่นไปนพักที่น <c oughs> ่นก็เจ้ากระปักงที่บูชายันเขาไปก็พักเดินจงกรมนั่งสมาทินั่งกู้แัวนเข้าเหย็ดแขวนอกทบทวนวิชาเดิมๆทำที่ทำไม่ตัดสรูปยปังไง อาญาเวทญาเหนจินตนาเห็นกายอยู่เป็นประจมเห็นเวทนาเป็นประจำเห็นจิตเป็นเห็นความคิดเห็นธรรมลำดับไปเพลินในธรรมผู้ลุกลากระจะปะให้ลูกศิษย์ไปดูตายหรือยังสองทุ่มยังไม่ตายห้าทุ่มยังไม่ตายหกทุ่มยังไม่ตาย นั่นเดินจังกองตลอดท้งสว่างก็ยังไม่ตายบริวารห้ารอยคนตัอุ้นเต้นอะไรมันใหญ่ขนาดนี้ลตัวลงขึ้นมาใหญ่กว่าเราแน่ๆเก่งกว่าเราเลยที่เราศักดิ์ที่ทสักสิทธิ์ของเราเนี่ยก็อยู่ได้เลย เวกเราบริวารที่นี่ไปใกล้มาได้ไปอยู่มาได้ศักษษษิสุทธมีอะไรเกิดขึ้นชวนชนธนราธรยากษัตรยแดงอาทิตต์อรปริยารร ย, ายาสูตรใช่ไหมนะไม่คิ <c oughs> แรงอริสสาปริยายาสูตร กาบูชาเป็นไงอามเมนบูชาปฏิปฏิบูชาเป็นไงรู้สึกว่าเกิดศรัทธาลอยวลินวนลอยเครื่องบูชาลงไปแม่น้ำขยะศรีรษะเลยยังไม่ได้ไปถึงขยาขยะกัะชับะลูกศิษย์ เห็นวเห็นเครื่องบูชาของพิชายลอยลงไปใน น, น้ำเกิดสโลดใจเครื่ อ, อยู่มีโจนมาปุ้นพิชายแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นไปเอาบริวารสามรอยคนขึ้นไปขึ้นไปไปเห็นบริวารเห็นรูปหลากกษตานั่งฟังเทพพุทธเจ้าอยู่ร้ออยู่5้ารอยคน บน้นากมานั่งร่วมฟ้องอีกตามประวัติเป็นอย่างนั้นใช่ไหมลูกบวชได้อ่านพุทธประวัติไหมแล้วก็มีหลักฐานจริงๆปรปตูร่องรอยที่ตรงไหนนี่ยุทธศาสตร์ของพระเจ้า คนที่จิตใจบางๆก็ต้องคิดอะไรที่ชัดเจนแม่นยำแยบคางที่จะทำเพื่ออะไรเพื่อ <c oughs> คนอื่นเพื่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นคิดจะช่วยคนละบัดเลยจิตประเภทนี้ชีวิตประเภทนี้ไม่มีอะไรขาจนเลยเต็มเปี่ยมหม่ ภาวะที่เมตต า, กานะเกิดขึ้นมาแล้วก็พอจะมีในสงฆเกิดขึ้นกับฤทธิ์ของพระเจ้าในสมัยนั้นมากมายกายกองฤทธิก็ปลุรพรยาติได้ไม่ยา ก, กอะไรเลยสยบทั้งหมดเลย แต่ก่อนในระเทศตัดทิ้งจากตระกูลเลยโกลนผมถือว่าพิษประเพณีของกษัตริย์ <c oughs> มีแต่เก้าผมอุ่มบาทแล้วว่าขอทานไม่ได้เลยนั่นจริง พวกเราคีอนั่งอยู่นี่มีรูปมีนามมีหลงมีรูปมีผิดมีถูกมีกิเลสตัณหานี่เลยทาให้ชีวิตสะดวกเพราะการนี้แหละไม่จะสะดวกมีสติเห็นง่ายง่ายอะมันไม่ยากนะพาว่าที่ไม่เป็นอลารเยง่าย เป็นเป็นเรื่องด่วนเห็นไม่เป็นเนี่ยด่วนถึงง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรที่มันจะต้องสับชนโปร ด, ด, ดนี้โปรดนี้ไปไม่ได้กิเลตตัณหามากมันตัณหาอยู่ที่ไหนกิเลตอยู่ที่ไหนมันใหญ่ขนาดไหนมันบังคับมีสู้ทวนมาใส่เราเลยเห็นไม่เป็นเนี่ยมันง่ายๆจะต้องเป็นไปด้วกับมันทุกอย่าง มันสุขก็สุขไปอย่างนั้นหรือมันทุกก็ทุกไปกันหรือมันผิดก็ผิดไปอย่างนั้นหรือมันดีใจมันเสือใจมันรักมันชังก็ไปอย่างนั้นหรือเห็นมันซะเนี่ยมาไม่เป็นกับมันมีสติเข้ามาเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วมันทันใจทันใจไม่มีอะไรทันใจเป็นกอบเป็นกรมาทกับการปฏิบัติ อันอื่นมันล่าช้าแล้วก็ถูกหลอกมาเท่าไหร่แล้วความชาลักถูกความลักหลอกถูกความเกียดชังหลอกมันจริงหรือความรักที่มันเคยมีความเกียจชังที่มันเคยมีมันจริงหรือมีตัวมีตนจริงหรือทำไมจึงบังคับเราได้ลองให้เสียใจเป็นทุกข์เพเรื่องนั้น รู้สึก็คือความทุกข์รักหท่คือความทุกข์คือความชังอยู่ด้วยกันความฆ่ากันตายก็พบความรักมันเป็นเงื่นหรือความรักความรักจมปลมความรักจริงๆคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักรักที่สุดเลยในโลกนี้มันเช่นลัก ฆ่ากันตายเพราะความรักมันหลอกชีวิตของคนเสียเปรียบมันมายิ่งความโกรธความโลภความหลงมันมีจริงๆหรือถูกมนหลอกไม่อย่าเป็นไปกับมันเห็นมันอย่าเป็นไปกับมันเนี่ย มันไม่งอกไกงามถ้าเป็นที่มันสุกก็สุกทุกข์ก็ทุกข์มันก็กมลากไม่ออกเหมือนก็ตัดเหมือนก็เด็ดใบไม้ทิ้งไปแต่มันมีตูนมีลากอยูมันก็ต้องงอกขึ้นมาเองไปอดไปทนหมือนเหมือนก็เด็ดใหม่มันเห็นนี่มันถอนเป็นนี่มัน มันเพียงแต่เด็ดใบมันออกจนทุกเราก็ผิดเราไม่อยากให้ทุกข์ราก็ทุกว่ไอยากให้โกรธเราก็โกรธมันมาเสร็จมาสิ้นวิธีปฏิบัติทำเนี่ยมันมีระบบที่มันชัดเจนแม่นย่ม เหมือนพระเจ้าแสดงทำกันแรกโชว์เลยได้โชว์ธรรมจัดได้โชว์อรียมรรคขึ้นมาเป็นทิศดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยอรยีสัจสี่โชว์ขึ้นมาอารียมรรคโชว์ขึ้นปอดหมดท่าเลยลืน่นถลนทิศดีที่ น, นั่งวันดัง ส3 0 0มพันปีไม่ล่าสมัยมเลยอริยสัจสี่แต่แก้ปัญหามันไม่เห็นอยู่ที่นี่ในเวลาเรามาปฏิบัติทํามันเจอเรื่องนี้ทันทีเลยเข้าสู่อรียสัจสี่ทันทีเลยบุกเข้าไปเลยเลยพาตัดเหมือนรักษาโกูกถึงเชื่อโลกถึงตัวเลย ยาเขาถึงตัวเชื่อโลกเลยเห็นเลยทุกนอนหลับเหตุที่เกิดทุกนอนหลับร่วมดับทุกนอนหลับ ว, วิธีดับทุกข์นอนหลับเข้าถึงเชื่อโลกได้เลยมีแต่ทุกข์ต้นนอนเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ต้งตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ต้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีดับเอาทำไมพระที่จะาศาสนาจึงมีแต่เรื่องทุกข์แล้วก็ชาลาปิุกขาเกิดพระยาติปิโตเกะเก็บตายก็มีแต่เรื่องทุ ก, ก, าาทกขทกกกกทก์ที่ต้นต้นเกิดก็เป็นทุกข์หราใช้ชีวิตจนตายก็เป็นทุกข์หราเก็บก็เป็นทุกข์ จ ต, ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้เลยหมายเลขดำคดีดำในเรื่องนี้สำหรับสตินะเป็นคดีหมายเลขดำถ้าผู้เจริญสติจะเห็นเรื่องนี้ต้องจับให้ได้ต้องเอาให้ได้ัำหมาทุกข์เลยหรือถอนามินหมดเลย ในท่านาเบ็นทุกสัญญาก็เปทุกสังขารเป็นทุกข์ปัญญาณเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไปได้เลยทำไมจึงยอมรับทำไมจึงจำน้นต้องยอมรับทั้งจำนวนจะต้องลงให้เสียใจจะต้องหัวโลละลงให้อยู่กับสิ่งนี้เลยจักราของเราว่าอารหันต์ทั้งหลาย มีเกิดขึ้นมาในโลกนั่นแล้วเราจะอยู่ยังฐานะแบบไหนจะ ต, ต้องจำน้นเรื่องนี้เลยยอมรับว่ามีความแฉะยอมรับว่ามีความเจ็บยอมรับว่ามีความตายแต่ไม่จำน้นมันเหงที่ไม่แฉะไม่เก็ บ, ไ ม, กบไม่ตายมีอยู่มีอยู่ไม่มีความไม่ได้ตายพวก ไม่ได้แก่ผู้ความแก่ไม่ได้เจ็บผู้ควมเจ็บไม่ได้ตายผู้ควมตายนี่คือศึกษาธรรมะนั้นเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ไม่ต้องอาศัยอันอื่นถูกเงินปลูกข้าวเาจะทำไม่ได้เพราะชิงแวด ล, ลม้มอันนี้มันอยู่กับเราแท้ๆนะ ไม่มีไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมันอยู่กับการกระทำกรรมฐานเพื่อการนี้โดยตร ง, ขงเขาก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกับทุกคนนีอะไรก็บอกหนอยให้รู้ว่าแต่จริงๆถ้าปฏิบัติจริงๆมัน มันไม่ได้ให้ใครช่วยเหลือช่วยตัวเองช่วยตัวเองนีมากที่สุดเก้าเก้าปอร์เซ็นต์คนอื่นช่วยเหลือมน้อยนินเตียวเพื่อดันนดทางินเตียวลุดปล่อยเสียหนย่ยไปรูปคำสิ่งที่มันเสียหน่ายเหมือนหลวงพ่อพูดว่า แก้วแตกเฉื่อยได้แก้วเอาแก้วมาตอกันเอามาต่อกันเคยใช่เอามาต่อกันต่อกันก็เป็นลูกแก้วเวลาใช่มันแตกออกเอาตอกันเนียเป็นลูกแก้วเวลาให้มันแตกออกเชืยเวลาอยู่กับเรื่องนี้ครูอาจารย์อาจารย์ตอนนี้ หลวงพ่อเทียนบอกว่างูงทําไมกลับมานี่ทําไมไปรูปคําอยู่ท่านกลับมาเนี่ยเข้ า, า่าจ่าจูนี่พอบอกแเราโอ้ยได้เราได้แล้ ว, ลวก็ดีของเรเข้าใจเราเข้าใจแล้วหลวงพ่อเข้าใจแล้ ว, าล ว, ลาาลวมาเที่ยวแปบ๊บเดียวเข้ามาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จําเป็นเพื่อให้เรามาเนิ่นช้า เมื่อคนเขียนผิดการบ้านทําไมบอกครับนิเดียวบาทีก็จําเป็นครัวอาจารย์แต่สําหรับเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกตัวเองร้อยเปอรเซ็นคนอื่นช่วยเรามาได้มันหลงเปลี่ยนเป็นลู่ต้องไปตัวเองมันผิดเปลี่ยนเป็นลู่อะไรเปลี่ยนเป็นลู่ตัวเองตัวเองรู้จักช่วยตัวเองดอ คนอื่นช่วยก็เข้าใจง่ายเคยเปลี่ยนอย่างนี้เคยเป็ น, นปอย่างนี้เห็นรูปเห็นนามเป็นอย่างนี้เห็นรูปทุกนามทุกเห็นรูปโล ก, โลกนามโลกเป็นอย่างนี้คนอื่นว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวโน้ตทำนามทำรูปสมมตินามสมมตรูปมัดถูกปรามัดอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนอื่นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวตรงนั้นไม่ไมีอาจารย์ เป็นส่วนตัวเลยสองพันแล้วเป็นเช่นหลักใคจะมาบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่โลกไม่ใช่หนาวไม่ใช่สมมติไม่ใช่บัญญตัติเป็นความจริงความโกรธก็เป็นจริงความทุกข์ก็มีจริงความเกิดความเจ็บความเจ็บปวดทายมีจริงไม่ใช่อยอมรับ ผมโก้ก็ โ, กโกต้จนตายแหละแกไม่ได้ไม่ใช่ความจริงเป็นหลอกขนาดคนอื่นจะมาบอกเลยต้องเชื่อผมผมเป็นอาจารย์อาจารย์ก็ตามไม่ต้องเชื่อถ้าพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตอบตัวเองเหมือนกับพวกเราผู้แข็งเข้ารู้สึกหรือมือตั้งขึ้นรู้สึกไหมรู้สึกมือวางไว้บน เขารู้สึกไหมรู้สึกว่ามือที่ไหนมืออยู่ที่เขาอาจารย์บอกว่ามือของคุณอยู่ข้างหลังไม่ใช่มือของฉันอยู่ที่เขาโอ้ไม่เชื่อเราหรือไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อเราเป็นอาจารย์อาจารย์ก็ช่างมือของฉันอยู่ที่นี่ทำไมว่ามือของฉันอยู่บนหลังครูว่าเราเป็นอาจารย์ของคุณคุณต้องเชื่อเราไม่เชื่อชอาคผิดไม่เชื่อ เมื่อไรมันเป็นเกณฑ์ที่วัดความจริงความเท็จเป็นเช่นนี้ปฏิบัติธรรมมันพบของเท็จของจริงที่สัมผัส ด, ด้วยตนเองอ่กลาวหาราเหมืกัน